ดูกรพิสูทั้งหลายบุญญกิริยาวัตถุสามประการนี้สามประการเป็นไฉนคือทานไมยบุญกิริยาวัตถุศีลไมยบุญกิริยาวัตถุภาวนาไมยบุญกิริยาวัตถุดูกรพิสูทั้งหลายบุญญกิริยาวัตถุสามประการนี้แหลพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสคาถาว่ากุลบทผู้ไข่ประโยชน พึงศึกษาบุญนั่นแหลอันให้ผลเลิศต่อไปซึ่งมีสุขเป็นกำไรคือพึงเจริญทานความประพฤติเสมอเมตตาจิตบัณฑิตคร้นเจริญธรรมสามประการอันเป็นเหตุให้เกิดความสุขเหล่านี้แล้วย่อมเข้าถึงโลกอันไม่มีความเบียดเบียนนะครับถ้าเจริญได้อย่างนี้นะโลกที่ไม่เบียดเบียนคือระดับไหนครับพร ม, มโลกนะจึงจะไม่เบียดเบียนจริงๆ ในอัตกถานะครับประมัททีปนีกล่าวว่าบทว่าบุญยากิริยาวัตถุนิความว่ากุศลธรรมทั้งหลายให้เกิดผลในภพที่ควรบูชาคือกุศลที่ให้เกิดในภพที่ควรบูชาหรือชําระสันดานของตนเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าบุญคําว่าบุญนั้นมีสองความหมายนะครับความหมายที่หนึ่งก็คือให้เกิดในภพที่บูหน้าบูชาอย่างนั้นเถอะนะ บุญเนี่ยนะเช่นมนุษย์เนี่ยเป็นภพที่น่าบูชานะครับหรือไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นจึงทําให้เกิดในภพที่น่าบูชาถ้าเทียบว่ามนุษย์กะบาลเนี่ยไหนน่าบูชากว่ากันถ้าพูดโดยภพนะมนุษย์ทั้งหลายนั้นนะครับเกิดด้วยผลของบุญหรืออีกในหนึ่งนะครับถ้าขณะที่เขาเกิดขึ้นเขาก็ชําระสันดานของของเขาอ่ะนะชำระขันธ์สันดานนะครับให้บริสุทธิ์ดียิ่งขึ้นเลยเรียกว่าบุญ บุญเหล่านั้นด้วยเป็นกิริยาเพราะต้องทําด้วยเหตุด้วยปัจจัยทั้งหลายด้วยนะคือหมายเขาว่าเป็นต้องเจริญขึ้นต้องทำนะโดยปัจจัยหลายอย่างเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าบุญยกิริยาและบุญยกิริยานั่นเองชื่อว่าบุญยกิริยาวัตถุเพราะความเป็นที่ตั้งแห่งอนิสงส์นั้นนั้นนะชื่อว่าเป็นวัตถุนะครับเพราะเป็นที่ตั้งแห่งอนิสงส์ นะคือผลที่จะพึงได้รับนั้ น, น, นจากการเจริญทานเป็นต้นนะครับคือขยายโดยลำดับศัพนะที่เรียกว่าบุญยะกิริยาวัตถุก็กขยย่อยแยกัพท์เป็นบุญคำว่ากิริยากับคำว่าวัตถุคำว่าบุญมีสองความหมายคำว่ากิริยาเพราะต้องทำคำว่าวัตถุก็คือเป็นที่ตั้งแห่งอนิสง์นะครับก็เลยเรียกว่าบุญญะกิริยาวัตถุนะครับถ้าขยายตามลำดับสรรพนะ เรเรียกรวมๆ ว, ว่านนะแปลว่าไงดีถ้าแปลตรงๆไปเลยนะตามสับนะวัตถุก็คือที่ตั้งแห่งการกระทมคือบุญนะครับซึ่งหมายความว่าเกิดขึ้นเพื่อชำระขันธ์สันดานเป็นต้นนะครับบทว่าทานนัมยังนะครับคำว่าทานเนี่ยนะครับสำเร็จด้วยทานเนี่ยนะได้แก่เจตนาเป็นเครื่องบริจาคไยรธรรมบริจาคไยรธรรมของตนแก่ผู้อื่น หมายก็ว่าเสียสละวัตถุนะครับของตนเนี่ยนะที่ที่มีอยู่เนี่ยนะวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเองด้วยสา ม, มารถแห่งการอนุเคราะห์หรือด้วยสา ม, มารถแห่งการบูชาของผู้ที่ตัดรากคือพบยังไม่ขาดเชื่อว่าทานเพราะเป็นเหตุให้เขาให้เอาในคำว่าทานในที่นี้นี่นะครับลักษณะของการให้เนี่ยมีสองลักษณะด้วยกันนะหนึ่งให้เพื่อการอนุเคราะห์ ในอย่างหนึ่งนะครับหรือว่าสามารถด้วยการบูชาเอางี้นะว่ายกตัวอย่างนะพระภิกษุที่ไปบิณฑบาตมาถ้าฝากเพื่อนพระภิกษุด้วยกันโดยมากก็จะเรียกบูชานะครับเช่นเอาไปบูชาหรือให้ทานกับพระสงฆ์เนี่ยนะจากการให้ทานในลักษณะนั้นเป็นการบูชามากกว่านะครับส่วนการให้แก่เนี่ยอย่างเด็กเมื่อกี้เนี่ยนะครับ เด็กมา่อก้มาเราก็ให้ให้แบบนี้ให้เป็นการอนุเคราะห์หรือให้เป็นการสงเคราะห์แต่ถ้าให้ว่าแก่ผู้ประพฤติ ด, ดีปฏิบัติชอบที่เรามีศรัทธาโดยมากเราจะให้ในลักษณะเพื่อบูชาซะส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นลักษณะของการให้นี้จึงมี2 อ, อย่างให้เพื่ออนุเคราะห์กับให้เพื่อบูชาเช่นถ้าคาวะทั้งหลายเนี่ยนะครับพอมีทรัพย์สินแก้แหวนเงินทองมีข้าวของเครื่องใช้ไปให้คนทุกคนยากคนยากคนจนเป็นต้นเนี่ย การให้แบบนั้นเรียกว่าให้เพื่อการสงเคราะห์แต่ถ้าการใส่บาตรเป็นต้นนะครับการใส่บาตรการทาบุญการถวายสังฆทานเป็นต้นลักษณะนี้เป็นการบูชานะครับเพราะฉะนั้นทานนั่นแหละชื่อว่าทานนําใหมนะเพราะว่าเป็นเหตุให้เขาให้นะครับไอเจตนานี่นะครับเจตนาที่เป็นไปแล้วโดยในที่กล่าวแล้วในการทั้งสคือการให้นี่นะครับต้อง ที่สาเร็จด้วยการให้ที่บริบูรณ์จริงๆก็ต้องบริบูรณ์ด้วยการทั้ง3คือในการอันเป็นส่วนเบื้องต้นตั้งแต่การให้ปัจจัย4เหล่านั้นเกิดขึ้นนะครับคือในการได้ปัจจัยเกิดขึ้นนะครับสมมติว่ามีปัจจัยเนี่ยนะก็ปารบจะให้วัตถุใดวัตถุหนึ่งะนะเช่นมีผ้าก็เอ๊ะปารบจะให้ผ้ามีข้าวมีนม้ำยวดยานพาหนะดอกไม้ของหอมเนี่ยนะ บางคนเนี่ยก็มีผลไม้เนี่ยเห็นผลไม้ออกมาเนี่ยนะครับก็นึกตารบจะให้ทานแล้วนะอยงนึกถึงโยมคนหนึ่งเลยเขาก็ไต่เห็นพวกมะปรางเนี่ยนะครับเห็นลำยายเนี่ยเขาก็หมายมั่นแล้วเขาจะต้องให้ทานนะครับพันเวลาเขาเห็นเนี่ยนะปุบผ้าเจตนาเขาก็เกิดก่อนครับเห็นผลไม้นะครับ อ, อย่างโยมบางคนเนี่ยเขาลิ้นจีนนะเขาไม่ชิมหรอกครับเขาบอกว่าโหปีนี้มันเพิ่งออกเขาว่าไง เขาก็ไม ja. mmm um. ้มั่นเลยนะโอ้โหลูกมันโตโตไ้ถวายไปทําบุญก่อนนะครับเขาก็ในก็เขาก็รักเขาก็ทําบุญนะครับเขาก็ทําบุญทีนี้พอเขาทําบุญเสร็จเขามาชิมไใ้ผลไม้นั้นเปรี้ยวจี๊ดตึงไม่รู้รักษาเจตนาตอนหลังไหมหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าไอ้ก่อเห็นเนี่ยก็หมายมั่นว่าจะให้หละแล้วก็ได้มาให้จริงๆนะครับแล้วก็ไม่บริโภคไม่ชิมไมอะไรก่อนสักอย่างเลยนะเสร็จแล้วพอให้เสร็จนะครับก็เอามาชิมดูนะที่เหลือจากที่พระเอาแล้วนะ บว่าเปี้ยวจีดเลยครับว่ <Okay. S 1> บาเพราะฉะนั้นยังไงก็อภิอราปริยะเจตนาก็ให้ดีๆหน่อยนะครับมันจะอะไรก็ช่างเหอะเพราะว่าเราเจตนาดีแล้วนะครับมันเป็นบุญไปแล้วครับ <laughs> คือเข้าชอบไม่ชอบไม่เป็นประมาณนะครับของที่ให้ไปเนี่ยนะไม่ได้เอาว่าเขาชอบเป็นประมาณโอ้โหพระรูปนั้นท่านจะได้ชอบอย่างนั้นอย่างนี้คือคือไม่ได้เน้นว่าผู้รับชอบหรือไม่ชอบนะครับ เน้นว่าตัวเองที่ให้ไปเนี่ยนะครับเจตนาสามประการเนี่ยทําใจได้ไหมนะครับอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยบุคคลให้อะไรพระองค์ไม่ได้ชอบอะไรเลยนะครับเดี๋ยนะพระองไม่ได้คิดอะไรเลยนะคิดเป็นอื่นเนี่ยไม่คิดเลยทีนี้อย่างพระพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระารหารทั้งหลายนะครับกิเลสที่เป็นเหตุยินดีในวัตถุทั้งหลายเนี่ยไม่มีแล้วสําหรับท่านนะนะแต่ท่านก็รับนะครับเดีย๋ยวนะถึงจะดีถึงจะเป็นนี่ถึงจะเลวยังไงเนี่ยนะท่านก็รับ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้กระทั่งข้าวที่กำลังเข้าบริโภคอยู่เนี่ยนะเขาก็แบ่งครึ่งเอามาให้่ะในถ้วยเดียวกันนั่นแหละพระองค์ก็ยังรับนะครับหรือว่าแม้ของที่ปนนิดที่สุดใส่ทิพโอชาลงมาพระ อ, องค์ก็รับแต่ทีนี้ว่ากิเลสที่เป็นเหตุยินดีในสิ่งเหล่านั้นไม่มีแล้วสําหรับพระ อ, องค์นะครับ น, นะครับขนมแดกงาเป็นต้นะนะ น, นั่นก็แป้งแป้งจีอ่ะแป้งรำจีนะครับ ผมก็ไม่ยินดีอะไรนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่ให้เนี่ยก็ไม่ควรว่าผู้รับเนี่ยนะเขาจะคิดยังไงพยายามเน้นที่ว่าหนึ่งเวลาให้เนี่ยนะก่อนให้ศรัทธาเป็นไปดีไหมกําลังให้เนี่ยนะครับเจริญด้วยศรัทธาไหมรักษาเจตนารักษาศรัทธาได้ไหมให้เสร็จแล้วรักษาใจาได้ไหมตรงนั้นเป็นประมาณนะครับตัวตัวของผู้ให้นะพระบุญเนี่ยมันอยู่ที่ผู้รับนะคืออยู่ที่เจตนาของผู้ให้ แต่ผู้รับนนะครับเป็นนิมิตหมายว่าบุญนั้นจะมีผลมากหรืออันนี้สูงมากนะครับถ้าหากว่าเจตนาของผู้ให้นี่นะครับบริบูรณ์ด้วยการ3คือก่อนให้กําลังให้แล้วก็ให้เสร็จแล้วเนี่ยนะถ้าผู้รับเป็นผู้มีคุณธรรมสูงนะครับบุญอันนั้นก็จะพอบพูนตามสมควรแก่แก่ผู้รับนะครับว่าผู้รับมีคุณธรรมขนาดไหนแต่ในชั้นต้นนะเจตนาของผู้ให้ในการ3ต้องบริบูรณ์ก่อนนะครับ อย่างเช่ wow นว ah ่าของนี่ถ้าหากว่าเรารู้อยู่ว่าของที่เราจะให้เนี่ยมันไม่ปานี้แต่เรามีอยู่สิ่งนี้เวลาเราให้ไปเนี่ยไอ้ผลบุญของระหว่างของที่ปานี้กับของที่ไม่ปาี้เนี่ยอันไหนจะได้บุญมากกว่ากันก็เจตนาไหนปานนี้กว่าเจตนาที่ปานนี้กว่านั้นได้บุญมากกว่านะครับไม่ได้อยู่ที่วัตถุนะครับบุญไม่ได้อยู่ที่ตัววัตถุนะครับ มันได้อยู่ที่ตัวของวัตถุอยู่ที่เจตนานะแล้วก็อยู่ที่ผู้รับด้วยนะครับถ้าผู้รับเป็นผู้บริสุทธิ์เจตนาของผู้ให้ก็บริสุทธิ์นะครับแล้วก็ประกอบด้วยกรรมมศกตาปัญญาแล้วก็เจตนาสามบริบูรณ์ทําด้วยความเคารพเป็นต้นนะนะของอันนั้นก็เป็นของบริปนิทไปนับว่าเป็นของดีของบริสุทธิ์ไปนะครับทีนี้ถ้าหากว่าเรารู้ยกของนั้นไม่ปนิทแต่ว่าเราควรทําใจยังไงให้ ให้รู้สึกว่าใจจะได้น้อมไปเพื่อบุญนี้ก็มันปนีที่สุดแล้วสําหรับเราอะนะเราก็ต้องอย่าไปเทียบ ก, กับของคนอื่นนี่นะครับที่สุดของความปณีดแล้วสําหรับเราอ่ะนะเรามีของปณีดเท่านี้เราจะไปคิดกับแข่งกับคนอื่นได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเราเองก็บริโภคอย่างนี้ชีวิตเราก็มีแต่อย่างงี้อเราจะไปเทียบกับคนอื่นทําไมนะครับเพราะฉะนั้นก็ปณีดแล้วสําหรับเรานะครับเมื่อกี้อาจารย์ท่านมหาท่านกูถึงวกว่า เรื่องเวลามาเ ร, เรื่องเวลามาพามี่ก็เป็นคล้ายๆอย่างเนี้ที่ว่าอนาถาบินทิกะอะไรให้ทานตัวเองเคยเคยให้ของปนีดแล้วต่อมาก็หมดตับแล้วก็เลยให้ของที่ไม่ปนีดเหมือนเดิมก็เกิดความไม่สบายใจไม่สบายใจเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าไอ้ปานีดไม่ปนีดเนี่ยนะครับตรงนั้นเนี่ยซึ่งเศรษฐีชําระเจตนาได้เนี่ยนะไม่ได้อยู่ที่เข้าของแล้วอยู่ที่ผู้รับนะครับ อันแม้แต่เวลามาพรามได้ของที่ประเนตดมหาศาลนะครับให้ทานเหมือนน้ำไหลเนี่ยนะการให้ทานอย่างนั้นก็ไม่ได้มีผลมากเท่ากับผู้รับที่มีคุณธรรมเลยขนาดชําระเจตนาสามได้เท่ากันนะแต่ว่าผู้ที่ให้กับทักที่นัยบุคคลเนี่ยนะครับมีผลมากกว่านะครับมันประเด็นที่สำคัญมากก็คือเจตนาสามนะครับเช่นนะ ถึงพร้อมด้วยเจตนาก่อนให้ในเวลากําลังที่จะให้หรือบริจาคโสมนัจิตระลึกถึงในภายหลังที่ให้แล้วนะครับบุญนั้นจะมีผลมากหรื อ, อ น, นิสงมากจริงๆนะครับอยู่ที่หลังจากให้แล้วรักษาใจาได้ไหมแต่ตัวกรรมจริงๆอ่ะคือตัวกําลังให้แต่ว่าเมื่อให้เสร็จแล้วอ่ะตัวนั้นเป็นตัวหนุนว่าเจตนาที่ให้จะมีผลมากหรือผลน้อยนะครับครับอบป布拉เปียเจตนานี้สําคัญมากนะครับ ทีนี้การให้นี่นะครับวัตถุที่ให้นะถ้ากล่าวตามพระวินัยก็ได้แก่ปัจจัย4ี่นะครับคือให้ผ้าให้อาหารให้ที่อยู่อาศัยแล้วก็ให้ยารักษาโรคในสำนวนพระวินัยนะครับเรียกว่าให้ปัจจัย4ี่นะของที่ให้เพราะฉะนั้นถ้าจะให้ผ้าก็ก่อนให้ก็ทําใจให้ผ่องใสกําลังให้ใจก็ผ่องใสแล้วก็เวลาตามระลึกก็ใจก็ผ่องใส อันนี้เป็นการกล่าวแบบกว้างๆไม่ว่าจะเป็นญาณสัมปยุตมีปัญญาประกอบหรือไม่มีปัญญาประกอบในชั้นต้นก็ให้ให้เจตนาสามอย่างให้ดีก่อนหลังจากนั้นก็พยายามที่จะปรารบว่าปรารบกรรมและผลของกรรมนะนะครับมันมีให้มีกรรมมศกตาด้วยนะครับควรพิจารณาถึงสังสารวัตอันยาวนานเนี่ยนะครับกว่าจะมีโอกาสให้แบบนี้หรือกัปรารว่าผู้ที่ไม่มีโอกาสได้ให้แบบนี้ ม, มีมหาศาลนะครับ ที่เขาทุกเขายากหนึ่งก็เพราะเขาไม่ได้ให้เอาไว้เพราะฉะนั้นเราเองก็อย่าได้ประมาทเลยควรที่จะให้ไว้เพื่อเป็นสเสบียงทางเป็นต้นเนี่ยนะครับแล้วก็การให้อันนี้ขอจงเป็นอุปนิสัยเพื่อการตรัสรูม้มรรคผลที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเนี่ยนะก็ควรตั้งจิตให้ชอบนะครับพันจะบุญมากบุญน้อยอยู่ที่การชําระจิตนะครับอันนี้คือให้จีวรถ้าให้อาหารแหะให้ผ้าแล้วก็ให้อาหารให้อาหารก็ควรปรารถแนวเดียวกันนะครับ ก่อจะให้ก็พยายามทําใจให้ผ่องใสกําลังให้ก็ทําด้วยใจที่ผ่องใสแล้วก็ปาราลบความเป็นไปในเรื่องกรรมให้เสร็จแล้วก็สมนัติเบิกบานนะครับยินดีในเจตนาที่ได้ทําไปแล้วนะครับยินดีในเจตนาที่ได้ทําไปแล้วเพราะว่าในยุคนี้เนี่ยนะครับผู้ที่คู่ควรแก่ทานจริงๆเนี่ยนะถ้าหาว่าเป็นรายบุคคล น, นี่ก็นับว่าหายากมากนะครับ เพราะฉะนั้นก็ควรชําระจิตเวลาให้ก็เจริญสังฆคุณไปด้วยก็ดีนะครับเจริญว่าพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าปฏิบัติตีนะพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติตรงนะสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อรู้มรรคผลนิพพานนะปฏิบัติตรัสรู้อริยสัจตามพระพุทธเจ้านะแล้วก็ให้ทานไปนะครับองค์ไหนจะมารับก็ได้เสร็จแล้วก็มาเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติต่อ จิตใจก็ไม่ต้องไปกังวลว่าเอ๊ะคนรับเนี่ยมีศีลดีหรือไม่ดีมันจะมาบันทอนกุศลเจตนาเรานะครับเพราะว่าบุญเนี่ยมันอยู่ที่เจตนาของเราทีนี้เราเกิดมาอายุนี้เองนะครับว่าเราไม่สามารถที่จะไปเลือกอบุคคลที่มีคุณธรรมอย่างที่เราต้องการเลือกไปให้แบบกับพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะเป็นต้นเนี่ยไม่สามารถที่จะหาพระแบบนั้นได้ก็ต้องชําระที่จิตของเราเองนะครับ นาไม่ดีแต่ถ้าเจ้าของนาผู้ฉลาดก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างมหาศาลเพราะเขารู้จักวิธีบำรุงนะครับนะครับรู้จักบำรุงรู้จักพาะรู้จักปลูกนะครับหรือว่าจะให้ที่อยู่อาศัยก็เหมือนกันนะครับที่อยู่อาศัยก็ไม่ควรที่จะสร้างบริจาคเจาะจงไลไปในบุคคลใดบุคคลหนึ่งถ้าเวลาจะให้เสนาสะนะหรือที่อยู่อาศัยก็ควรที่จะ กล่าวถึงสงสาวกของพระผู้มีพระภาคที่มาจากทิศ ท, ทั้ง4นะครับก็น้อมไปเป็นสังฆบูชาอย่างนั้นนะครับท่านคนที่จะให้ก็ควรศึกษาเรื่องอย่างไรชื่อว่าสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนนะครับจะได้รู้ว่าเออท่านเหล่านั้นเนี่ยเป็นผู้คู่ควรแก่ของต้อนรับจริงๆแล้วก็เท่าที่เราเรียนแล้วเนี่ยนะครับมีพระรูปไหนบางที่ท่านปฏิบัติดีแล้วท่านมาเที่ยวเปล่าประกาศบอกตัวท่านเองนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านมาทําตัวลักษณะนั้นท่านก็เป็นคนที่ทําตัวมักมากนะครับเช่นศีลดีกับเที่ยวโฆษณาว่าฉันมีศีนนะเป็นคนมีศรัทธาเป็นพหูสูดเป็นต้นก็เที่ยวโฆษณาถ้าอย่างนี้ก็ลักษณะของผู้มักมากก็ไม่ใช่ว่าชื่อเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยกุศลธรรมอะไรนะครับเพราะฉะนั้นพระที่ประพฤติ ด, ดีปฏิบัติชอบเนี่ยนะเราจึงอย่าไปคิดว่าท่านจะมาโฆษณาให้เรารู้เลยนะครับ ท่านจะไม่บอกเราเพราะฉะนั้นเป็นภาระเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องสักสแสวงหาบุญควรขวายบุญแล้วก็รักษาเจตนาเอาไว้ให้ดีนะครับเพราะฉะนั้นพระที่ดูดีในสายตาของเราอาจจะไม่ดีจริงก็ได้นะครับพระที่ดีจริงๆก็อาจจะไม่ดูดีในสายตาของเราก็ได้นะครับเพราะเราเองก็แยกแยะอะไรออกบ้างนะครับว่าดีนี่ดีแค่ไหน พระผู้มีพระภาคตรัสว่าศีลเนี่ยจะรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันนานๆแล้วก็คนมีปัญญาเท่านั้นจึงจะรู้ได้ว่าใครมีศีลไม่มีศีลนะครับกําลังใจก็จะรู้ได้เมื่อคราวมีภัยนะครับคนที่มีปัญญาเท่านั้นจึงจะรู้ได้ว่ามีกําลังใจจริงหรือเปล่านะครับนะความสะอาดก็รู้ได้ด้วยคําพูดนะครับว่าเขาพูดเนี่ยนะตอนต้นกับตอนหลังมาเนี่ยเป็นคําพูดแนวเดียวกันไหมสะอาดเหมือนเดิมไหมอะไรไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ คำความสะอาดก็รู้ได้จากคําพูดนะครับแต่ว่าปัญญาก็รู้ได้จากการสนทนานะครับถ้าสนทนาแล้วเนื้อหาละเอียดลึกซึ้งขึ้นประนีดขึ้นเป็นต้นก็รู้ได้ว่าเป็นผู้มีมีปัญญาเป็นต้นนะครับแต่เราไม่รู้อะไรเลยนะครับไปฟังใครพูดแล้วเขาไม่เข้าใจสักอย่างเลยโอ้โหเขาลึกซึ้งจริงๆอันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคนดีจริงๆเนี่ยนะครับถ้าเราไม่ดีจริงๆยากนักที่จะรู้ว่าจักรู้จักรู้ว่าเขาดีจริงนะครับ แม้แต่พระสาวกทั้งหลายนะครับก็รู้จักพระพุทธเจ้าโดยส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับเรียกว่ารู้โดยเอกเทศไม่ได้รู้ถ้าไปทั้งหมดนะครับคนที่มีคุณธรรมน้อยๆจักรู้จากคนที่มีคุณธรรมสูงๆได้อย่างไรนะครับตัวเองเป็นผู้มีศีลห้าจักรู้ได้อย่างไรว่าผู้ที่บริบูรณ์ด้วยศีลสิบเขาเป็นอย่างไรนะครับอย่างมากก็กะกะเอานะครับ หรือว่าคนที่ธรรมดาทั่วๆไปจะรู้ได้ยังไงว่ า, าพระภิกษุที่สมบูรณ์ด้วยศีลเนี่ยนะครับท่านมีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรก็ยากที่จะเข้าใจได้ทีนี้ผู้ที่รักษาศีลเฉยๆจะรู้ได้ยังไงว่าผู้ที่มากไปด้วยสมถะและวิปัสสนาเนี่ยนะครับเขามีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรก็ยากที่จะรู้ได้หรือผู้ที่เจริญสมถะวิปัสสน า, าก็ยากที่เข้าใจว่าผู้ที่บรรลุมรรคผลเนี่ยเป็นยังไงเพราะว่าคนล่างๆก็ที่จะรู้จักคนชั้นบนชั้นบนไปนี่ก็นับไปยากมากอันนี้โดยกุณธรรมนะครับ ทีนี้ถ้าหากว่ามองเป็นรูปธรรมนะครับชาวบ้านธรรมดาทั่วๆไปก็จะรู้จักว่าชาวเมืองเขาเป็นยังไงชาวเมืองชั้นตลาดทั่วๆไปกับชาวเมืองชั้นนักธุรกิจก็มีความแตกต่างกันชาวเมืองชั้นธุรกิจก็ยังแตกต่างจากผู้ปกครองนะครับบางอย่างก็คนระดับล่างๆก็ไม่สามารถเข้าใจได้ในระดับชั้นบนๆ น, นะครับเพราะฉะนั้นคนระดับของคุณธรรมทั้งหลายก็ลักษณะเดียวกัน ที่นี่เราจึงไม่ไปคัดเลือกที่ผู้รับนะครับซึ่งพระผู้มีพระภาคแนะนำให้เราเนี่ยพยายามรักษาเจตนาปารบกรรมมสกตาแล้วก็ตั้งจิตถวายเป็นให้แกสงคำ ว, ว่าสงในที่นี้เนี่ยนะครับคือหมายถึงผู้ปฏิบัติ ด, ดีเป็นต้นนะก็คือการน้อมใจนะครับมันสมัยนี้นี่นะครับมันก็แปลกว่าอนนะตั้งใจจะให้องค์ละเท่านั้นเท่านี้นะครับตั้งใจแล้วว่าเออองนี้ให้พระก อ, องนี้ให้พระขอเสร็จแล้วเนี่ยนะครับไป กล่าวคำถวายสังฆทานนะสมมุติว่าเออนี่นะพระกร็เนี่ยเราจะให้จีวรนะให้อาหารอย่งงางนั้นอย่งงางนั้นอย่งงางนั้นอย่งงางนั้นที่จริงเนี่ยให้เจาะจงนะครับเจตนาเนี่ยเจาะจงซะส่วนใหญ่แต่เวลาให้กล่าวถวายสังฆทานนะครับคือไอ้กล่าวถวายก็ก็เจาะจงอยู่ดีนั่นแหละนะครับคือไม่ได้ทําเจตนาแบบที่พระรูปหนึ่งท่านแนะนํำ ครวาสคนหนึ่งนะครับให้ตั้งจิตเป็นสังคทานนะอย่าพึ่งอย่านึกเจาะจงรูปรูปใดรูปหนึ่งเป็นต้นนะถ้าชําระจิตได้อย่างนั้นจึงจะเป็นสังคทานแต่ถ้าชําระจิตไม่ได้ก็ยากนะครั บ, อ, บ, รบอย่างเช่นว่าเมื่อกี้นี้ท่านอาจารย์ยกตัวอย่างมาเนี่ยเรคืออย่างว่าพระพิสุจเจ้าไปถวายพระภิสุแต่กล่าวคําถวายสังคทาน เมื่อเป็นลักษณะ น, นี้ในการกล่าวคําถวายสังฆทานไปนั้นมันจะเป็นสังฆทานได้ไหมก็เป็นนะครับเอาตามคํากล่าวเนี่ยเป็นคือที่เป็นสังฆทานนะครับว่าผู้รับนะครับต้องจัดการแบบสังฆทานแต่เจตนาของผู้ให้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะเป็นสังฆทานจริงหรือไม่นะครับเพราะว่าบุญที่เป็นสังฆทานเป็นต้นอยู่ที่เจตนาแต่โดยพระวินัยวันบัญญัตินั้นเอาวาจาเป็นเกณฑ์ น, นะครับ เอาวาจาเป็นเกณฑ์นะครับวาจาเขากล่าวยังไงก็เป็นอย่างนั้นยกตัวอย่างนะครับว่าเขาเนี่ยสมมุตินะเขาจะมาสร้างกุฏิให้ผมนี่แหละก็เจตนาเขาจะทําให้เรานี่แหละแต่เวลาเขาถวายเขาถวายเป็นของสงนะครับแต่โยมเนี่ยเขาเจตนาทําให้เราแต่เวลาเขาทําบุญยิงๆนะเขาถวายเป็นสงทั้งสี่ทิศถามว่าผมจะบริหารของอันนี้ยังไงเสนาสนะเนี่ยนะผมต้องใช้แบบของสงนะครับ ไม่ใช่ว่าโอ้โหนี่โยมเขามาทําให้อัตมานะอย่างนั้นอย่างงี้ไม่ได้นะครับเราใช้แบบของสงพในเสนาสนะขันธะอธิบายวิธีใช้ของสง์อย่างไรต้องปฏิบัติตามนั้นเพราะเขาไม่ได้สร้างให้เราเขาสร้างให้สงนะครับแต่ก็เจตนาเนี่ยใช่แต่คําพูดที่เขาเปล่งเนี่ยนะครับเนี่ยนะคือคือเอาแบบนิตินยัยนะคือคือคำกล่าวก็เหมือนกันนิตินัยเหมือนกับแบบทางกฎหมายนั่นเองนะครับเหมือนกันแบบนั้นนะครับ เนั้นของที่เขาถ ว, วายเอ่ยเป็นสังฆทานทุกอย่างเนี่ยพระก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาไปเป็นของตัวเองอย่างเช่นเป็นถังเป็นกระป๋องมาเนี่ยครับถ้ากล่าว<ม>าอย่างานั้นนะครับในอาวาสนั้นก็มีส่วนนะครับนะท่านคือภิกษุในสีมานั้นทั้งหมดก็ต้องมีส่วนนะครับซึ่งก็ต้องมีการแจกนะครับคือเหมือนกับว่าถ้ารับแล้วก็ต้องเอาเข้าเรือนคลังไปเมื่อเข้าเรือนคลังถึงเวลาก็มีการจับแจกเป็นต้นนะครับ ตามสมควรแก่วัตถุนั้นนั้นไม่ใช่ว่าโหผมเป็นคนมารับแล้วผมก็เอาแต่เขาถวายกล่าวถวายสังฆทานนี้ไม่ได้นะครับถ้าเอาไปแล้วจะเป็นโทษยังไงก็ยังไงก็ของสงนะครับของสงก็ควรศึกษาให้ดีว่ามีโทษยังไงก็แต่ตอนที่ไม่รู้ก็โทษก็ยังไม่มากนักนะครับแต่ถ้ารู้แล้วไม่คิดจะถวายคืนไม่คิดจะอะไรเนี่ยนะครับอันนั้นก็หนักหนาสาหัสแล้วนะครับมันจะเริ่มบันทอนแล้ว แต่ถ้าไม่รู้เลยมันก็โทษนะครับโทษของอวิชชาถ้ายิ่งทํามากเท่าไหร่ถ้ายิ่งไปรู้ในภายหลังก็ยิ่งทุกข์เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นของสง์นี่ก็บริหารให้ถูกนะครับเพราะว่าคําว่าสง์นั้นคือผู้ที่สมบูรณ์ด้วยศีลและทิฏฐินะครับซึ่งเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับทีนี้ของเราเนี่ยนะครับถ้าเกิดไปแอบอ้างไม่ได้ทําตัวแบบสงจริงๆก็ลําบากเหมือนกันมีโทษ จะเป็นพ่อเห็นนี้หรือเปล่าครับเจ้าวาดจึงเป็นหนึ่งในสี่ของบุคคลผู้เสี่ยงต่อการปนรนรกนะครับหรือว่าถ้ากล่าวตามปัจจัยสี่ก็คือจีโวนบินทบาทเสนาชนะนะแล้วก็ที่อยู่อาศาายัยเอยยารักษาโรค ถ้าพูดตามสำนวนพระสูตรก็คือให้ข้าวให้น้ำให้ผ้าให้ยวดยานพาหนะให้ระเบียบดอกไม้ของหอมนะครับประทีบโคมไฟเป็นต้นเนี่ยนะลักษณะนี้เรียกว่าให้ทานตามพระสูตรตามแนวพระสูตรหรือจะให้ตามแบบพระพิธามก็ปลารบรูปปรารบเสียงปลารบกลิ่นปรารบโพธิภาพและปรารบธรรมรมนะครับอันนี้แล้วก็ให้ทานไปเออนะโยมที่เขาเรียนเรื่องการให้ทานปรารบรูปเสียงเป็นต้นเนี่ยนะ เขาถ้าได้น้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวน้ำหอมก็บอกวันนี้ปารบกลิ่นให้ทานเขากันนะถ้าเขาไปได้อะไรนะอะไรวันหวานารราาเขาบอกปารบรสนะนะทาบางทีเขาปารบโพธพะบ้างอะไรบ้าง ก, กรอบบางทีก็นึกเออปารบโพธาภะอย่างเนี้ยเรียกว่าปารบตามแบบอภิธรรมคนที่เรียนมาเขาก็ปารบกล่าวตามนี้แหละครับทั้งหมดนะครับคือเจตนาที่จะให้ให้ไปเนี่ยนะด้วยอนุเคราะห์หรือบูชาก็ตามเจตนาที่เป็นไปในการสาม วัตถุทานไม่ว่าจะเป็นปัจจัยสี่หรือวัตถุทานส0บหรือว่าอารมณ์หกให้ไปบุญกิริยาวัตถุอันนี้เรียกว่าสำเร็จด้วยการให้นะครับเจตนาอันนี้นะแต่ก็ควรให้มีปัญญาประกอบนะครับป ร, รบกรรมเป็นไปในเบื้องหน้านะครับ